จี๊วน่นมาเห็นพี่น้องออนี่ยจวนมือเดียวแล้วผู้เดียวหาคันเป็นเงียบมืดผู้เดียวแล้วหาคันไปเสื่อมเลยเอาแล้วนี่ผู้เดียวหาคั น, น, อ น, น, ออนโอ้เก่งแลว้วเพื่พขู่ ก, ก็ตาถุวเ่อนวาพกูดีเลมาจเพื่อ ก, กุูดีอักูลูกับล่องลูกไปจะไปเก่งอานนั้นนี่จุวนันหาคัน มือเดี่ยวเป็เ่วนเป็เงียบมือะก้อนเงมือกันง่แล้วผมคนนก็จำหน้าเงียบมือม่ค่มีัเราอ่างผ้ที่ยกนเงียบมือต้องยืมจากคู่แข่งนะแต่มีจอย่างนึงเงียบควาน หมื่นเคยเห็นแล้วผมทำหน้าไรเนี้ยเ็นการมั่นทันทดลองโอ้ท่านฉลาดหลายั้นหลามทนลองฝีมือไปไอเรามันนกกบเหย่ออย่างนี้พอท่านแย้มมันปัมมันเข้าใจกันทีไม่บอกใครนะโอ้จะเล่นนะเฮ้ยบงเอาท้ายถ้าบงไม่ย้มไม่ได้ไหมหน่วงอินทดูฝีมือนะ ตัดปุ๊บปับปอมเอ้งนันขันนันอนี้ขันนีขันเา ม, านมื่ยายามเราพัฒาต่อกันขันผนจะหายไปได้ผลนลถิ่มมา้ดูเด็มันผลจะทกล่างปุ่นนั่นปุ่นนั่นปุ่นนี้่นนันมาเล่าขันหนึ่งเอออะ่รได้บานมาเขาก็ะฟาดเป็นเงาเล่าแล้วเด็กก็ผู้จากอยู่เลยมันถึงบอกไ้เมื่อทุงต้องเต่มกันแล้วมาโอ้ไอเงี้ยขันนี่มันก็ดี เปนดูวัดดียังไหนก็คนนวอะไรสารคูณอะไรตั้งเลยเอาห้ไน้นนวลน้ำมนหวันหวานเหนียกขุ่นเหนียงนวละอาษาเอาละบังรับเอาแล้วาเต็มเนียวเราอกันนี่หละพวกลวงคอหลองตาก็ลาดีอยู่หันพวกนักสารมาแล้ว เา okay, สานคูยตเป็นค้าราชารสองหามบ๊อบนั่นแหละพิสองสองหามเนะี่ยในน่องไปน่องสาวน้นเอาไปตั้งหน้ามันมาจากฝ่ากับฝามันักอายคนี่แล้วแมวสมงก้ามีอ้วนที่มันตายอะไวนันก็เป็นสาวเยอะขอ ง, งทัดเัินทันทัดกข่งแล้วเกิดปีฉลูมันเกิดปีท้อนั่นก็เป็นสาวเย นั่นเราไหามน้ามัน่าเดีป้ากับป้าเียอายคนเลยเ้าเฉยรูปปากบ้านหลังนั้นนี่สานคูหลังนั้นี่หวยงาย่ า, า, งงามเ น, นาเนี่ยบานขยันนะตั้งหนำเลยคูง่ามเลยอนนั้นแหละมันึ่งต้งมาไปโดนที่บ้านน้องผือเลยนันสานคูเอาละข้อนเยอะตอนนั้นเรา ออก็ออกปฏิบัติแล้วความละเอียดของจิตมันกระ ต, ต่างกันไงฝึกฝนนลวงพอลองตาที่ป็นนักสารมากอ๋อแล้วเราก็ออกม่ค่นนอย ม, มาแตะตอกเสร็จนึงแม่ค่อยมาแตะนะขึ้นไม้มาเหลาให้เราเป็นหลังขาดเราเหลาเอาเล่าเอียงมดตอกสารตอกเขาเรียกว่าตอกย่างตอกตั้งตอกสารเล่าเป็นคนทำคนยอหมดท่ามวใครเห็นดิบ่อยใครมาเหน็นตัวย่างนะ คุณนอะขงแหงเรื่อลีสารผู้เดียวยันมูเห็ดยนมูต่ยันมูมันติแทงเลามันขโมผู้เดียวแล้วเขออกว่าพระอโยพระตรุ่มแต่พระตัวท้อผู้จางผาเลยโอ้ยผู้จางมูฟะเน่นทั้งหลายโอ้ผูจางกสังงามเราให่งามดีเลยอเอาให้เต็มแนวเว้ยง่าสติปัญญาม่ถึก็ทุ่องหันหมดน ตอกหันเป็นเหมือนเส้นเดียวกันึ่ความอ่อนความแข็งนั้นแบบเดียวกันหมดไม่ว่าตอกตอกตั้งตอกย่างก็เหมือนกันหมดตอกชานก็เหมือนกันหมดเบื้งเส้นหนึ่งเหมือนเส้นหนึ่งหมดเลยพุนมันจะเรียบมันจะตอกผุนเลยเนี่ยานก็เราจะเอาขณะลูกส้งชนิดไหนชนิดไหนกงหมดท่องเล่าเอาตามนั้นเมื่อกดก็ตามนั้นขมมยให็นทดบใหญ่แล้วพอเสร็จแล้วก็ยังมามา ว่เอาไม่ห้าวที่เอาขจอดเขาเสาะเขาทำร่วงเลย่วงมันอย่าใส่ล่นามหมื่นแนะทัแล้วแล้ค่แล้วได้นาดหนไอไได้แล้วก็ตบ้านมาอัดกวาดเสียเลมันดํามันมันปเบิคุยอไรนี่ยห่าเาลงนี้ดูอ้าวอืมก็ยังน้องพอแสบสอยู่ ว่าหลาางพี่นี่ไพสาลนะฮะนี่ดงกงามถิม่วเองนวลเลยทานนี่วันเตเ อ, ออยู่เลยละกันเตั้งแต่กันแน่นยันนั้นต้องก็ตังเบือหนึ่งหนึ่งใใจคือความเป็นธรรมหรแล้ววันเดียวกานเขาเหนื่อยเขาเถอพอเบิงมันตามมูอจังมากเบิงตอกเบิงอะไรมันก็มันตามยิ่งมัดนั่นแหละพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องขันนั้นมันยังเห็นกั น, น, เ, น, เ, นเลยงไทปัญญาหรือว่เราทุ่มมันเ็มที่ลลย <imen ode> มาถึงตัวไพสาลนี่ยเดี๋ยวมูแล้วมัเ่นไหนเล่าวอหน่เนาะค่อยเก็บกันน่นท้างหลังมันออกอาจารย์มหาแล้วอะไรโอ้สันดีเนาะมัเกือบตายมันดีอะไรเนี่ยเกือบตายคำนั้นมันส้างมีอะไรหนึ่งแต่มันเกิดมากกว่ามันหมอกจะหันหมดม่ดีแล้วก็เ่ไปขาดทิ้งหรอแม่ผจะว่าวันนี้สำคัญกระบวญเป็นปรนเก็บไว้บนมือไสจซำ มันมันง่ามหลายตอนนี้โอ้งามดีสิหนิแกว่เป็นอันเดียวมันเขาอันนี้คื่กันเขา จ, ไจไนไม่รู้จักเลยโอ้ดีวิอยาคนเอามื่อเนา่นไปเอาไปที่หน้านะเอาไปประกอบกับท่ำมองเปินผู้ใดเป็นยังไง ห, ไหเหมือนกับมาอานาหนึ่งเป็นเครื่องประกอบทายในแม่คุณนมั น, อมนโอ้ฉลาดคล่องตัวทุกอย่าง ผมยังเห็นครูอาจารย์ไหนผู้ไม่ประมาทนะที่จะคล่องตัวตั้งภายนอกภายในพร้อมหมดนะผู้ใดมาหาที่ค้านเมื่อไรค้านเมื่เพราะออกมาจากความไู้สุดใจมาจากชรนณะที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วด้วยฉลาดไง น, ะนี่มีมากๆองรุน่น อย่าไปสนใจกับใครเป็นอารมณ์ในเวลาทํางค์พรเพียรให้อยู่ลําพังตัวเดนตัวเด่นฟาดมันลงตรงนรงีน้ถ้าจะทําอยู่ตรงไหนนั่นแหละผลที่ผ่านอยู่ตรงนั้นกิเลสมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงทุกตรงทุกกับสมูกไทยนั่นแหะนั่นแหละกิเลสอยู่ตรงสมูกไทยนั่นคือตัวกิเลสแท้ทุกข์เป็นผลของสมุูกไทยสิ่งที่จะปราบกิเลสก็คือมรรค ความเพียนสติปัญญาสำคัญมากเอาลงตรงนี้อย่าไปคาดที่ไหนนะอย่าไปคุกเงานอกจากตัวคุบตัวแล้วถูกเงาอเองงมปลานอกสุ่มก็ว่ามันจริงมันจํางผมก็พยายามเต็มที่กำลังผมไม่ได้ห่วงใครยิ่งกว่าผ้านเนนในวงการปกครองของผมนะ พนห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อย่างยิ่งเรื่องจิตสำคัญมากเป็นเบอร์หนึ่งเดียวอยากให้รู้ให้เห็นดังที่สอนมานี่น่ะผมทำพระเจ้าท้่สอนนันเท้าว่าทุกบททุกบาทเหมือนอยากออกมาจากพระโอษฐงมงกุเหมือนพระองค์ประทับอยู่นั่นเลยคือความจริง แ, แท้ไม่ไม่มีคําว่าการนั้นสถานที่นี่ไม่มีนี่แต่ความจริงล้วนในบุตรธรรมทั้งนลาย แสดงออกมาอย่างถูกต้องแน่นดั่งส่อคาธรรมส่ข้าธรรมจัดไว้ชอบชอบชอบตองแต่ทำขั้นต่ํำจงสูงสุดนาที่ข้างๆนั่นแหะใครจะมาสอนได้เหมือนพระพุทธเจ้าทำอย่านี้ใครไปหามาได้มไ เ, ออเมื่อไหร่เป็นทฤษฎีข้อหัวใจเวลาก็ไม่มีวิวายที่เอามาแก้ได้พระพุทธเจ้าทรงหาวิวายมาแก้โพงแล้วนำวิบายนั้นมาสอนมีโพ่งเดียวเท่านั้น สาวกข้างหลังก็เลยนับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนแนละ้วถึงในบรรดุนีนะพระพุทธเจ้าเองมันที่ลงทุนรงแรงถึงขนาดถึงสลบสลายถึงได้คู่แข่งของกิเล็ดขึ้นมาได้เครื่องปรับกิเล็ขึ้นมามันะละเอียดมากนะยีเล็ดนี้นแหลมคมมากนะมันลากเราออกนอกรูนอกทางนี่มันรู้ตัวเลยนะอืึ มันขนาดนั้นนะ <c oughs> ใครใครีู้ ว, ว่าพิเรนตอนันแหลมคมขนาดไหนเอาออกสติสติปัญญาไปเถอะมันจะทันกันไปเรื่อยเรืยแล้วรู้กันเลยรู้กันเล ย, นเลยจนกระทั่งมันม้วนเสว่ลงไปหมดเอามัาแสดงที่ไหนะ <c oughs> ไม่รู้เลยเคยปรับมาแล้วหนี่เนี่ย โปรทิลัคโปรทิลัคที่แรกเขียนมาอะไรเพราะอะไรครั้งที่เหล็กทั้งหมดว่านี้ว่ตาันก็ชู้อแข็งนิดเต่ยที่นันมันดูดูกัผมก็รู้ผู้หญิงคนนี้เขาไปดูเหตุการณ์นั้นแล้วเขาบอกผมาถามใครได้ฟังไวมล่ะ จนหมายที่เขาถามเขาพูดมาเน่ะเขาเสนอมาเนี่ยจฟังกันหลายองค์ไหมหมายติปุญ้าชื่ออะไรตภนะนะกันดาเออคือกันดาอะไรแขงนิติธาดาเรื่างไงเขาเคยถอนขีรลมานแล้วจะหรือวัอนนี้ผมนี่เหมือนพัน ผ, น, ผนผ่านความรู้สึก ไม่เคยขอมาแล้วนะเขาไปพูดงเอาเรงนั้นมาถามเราแเราไม่ได้ตอบระบุตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตอบไปอย่างนั้นไปนึกกลางๆเลยจับไม่ได้ในที่สุดลงชื่อว่าแต่ก็ไม่ลงลงชื่อเราเราก็บอกลงตังโง่เราว่างนั่นเลยแต่คนนี้จะพอๆกัน เ ป, เป็ดและน้น อ, องก็ดีก็เรื่องที่ว่าพระอะไรสาเกลวตะบุดนั่นถึกไข้ช่วงอะไรถามมานี่อย่างนี้ทำให้คนเถียหลักได้นะอ้างประกายพิดกนันประกายพิดกยกอะไร เวลาตอบกันมาอย่างจังๆพอสมควรแล้วก็ถามเลยใครเป็นผู้พูดมาอย่างนี้มาอยู่ในคำปีนั้นคนี้ใครเป็นคนนั่นมาเขาก็บอกมาพุทธทาสเออว่านักจับปุ๊บเนะผู้มีหลักเกณฑ์จริงๆทางนั้นติดใจทำไมนำมันนี่ออกมาพูดได้ล่ะนเราก็ยันเลยจะตอบ ลงนรกเราจะเป็นคนลงคนหนึ่งว่านี่เลยนะในจนหมายฉบับนั้นน่ะผมตอบเราจะลงคนหนึ่งไม่ว่านี้เิดไม่ไปฝึ ก, กต่อพบต่อชาครับทั้งที่มีเชื่ออยู่อะไรไปต่อวะน่ะผู้ปฏิบัติทํําทาไมจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้ปฏิบัติให้รู้ทําไมจะไม่รู้อืมื่รู้แล้วใครจะมาค้านได้วะเนี่ยความจริงเป็นอันเดียวกันนี่นะ น, นอดที่จะถามผู้ที่ถามมาถ้าว่าคนตรงสี่สิ้าเขา เขาข้านมาเขายกอะไรมาพูดเราก็แปลว่าอผู้ปฏิบัติยกอันนี้มานี่สิมาเปิดหัวใจให้ดูดิผมข้าเป็นยังไงวะเหมือนอย่างนั้นดูเอาที่ว่าอย่างนี้นกระโดดถึงเข้าใส่กันเลยแล้วไม่ต้องยกครูแล้วมัยกอะไรมันเป็มในหัวใจนี่หมดสิ่งวนี้เราเคยเป็นมาแล้วหนึ่งหัวใจเราเอาความจริงมาพูดผิดไปตรงไหน เราต้องบอกว่าเราคนหนึ่งที่สมัครตกนรกอ่ะเดี๋ยวเรื่องจิตก็ขาดไปเหมือกนกัท่าเขาขันไม่สืบต่ออะไรเลยนักสือต่อคือจิตว่างั้นเลยนักท่องเที่ยวนักเกิดใจตายคือจิตที่เต็มไปด้วยเชื้อวางั่นเลยยันกันเลยท่าขันนี่ความหมายอะไรมาเป็นเพียงเครื่องมือของจิตทั้งนั้น ถามได้ไปแล้วใครเป็นคนพูดว่าอย่างนั้นเขาก็เลยบอกออกชื่อมาเลยแต่เขาก็รู้สู่ว่าเขาระวังเหมือนกันเขาม่อยากจะออกแต่เขาก็ออกมาอือปฏิบัติทําไมถึงเพียงเท่านี้มันก็เห็นชัดเลยไม่ต้องไปถามก็ได้ผมว่าตัวทิฏฐิใหญ่ในผมนี่แหละ ไม่ต้องไปถามพระปฏิบัติองค์ในก็ตามถ้าลงปู่นงนี้ออกมานี้ได้แล้วภูมิจิตเป็นยังไงไม่ต้องมาบอกกว่ากนั่นเลยต้อ <c oughs> ปั่นอยงเดียวย <c oughs> จิตตัวนี้มันสาคัญๆๆ้น่นเมื่อไรจะเละผู้ปฏิบัติเั่นั้นที่จะ ต้ต้อนเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามาวนเข้ามาตัดเข้ามาแค่เข้ามาทุเริยมกระจายไปหมดมันเทียอย่างรากไปหมดรากแก่มันก็ฝังตรงนี้ยกรากฝอยมันไปหมดตามรูเสียงที่ลดเครื่องสมบัตทั่วโลกธาตุรากฝอยมันไปทั่วถึงหมดเลยอืมสมถะอุปัสนาก็ตีต้อนเข้ามาฟันเข้ามาฟันเข้ามาด้วยสมถะฟันเข้ามาด้วยปัจจนา มันเข้ามาลอ้อมวนเข้ามาวนเข้ามาเข้ามาเข้ามามลากฝอยลากแสดอะไหมดไปหมดไปมัแล้วจะลากแก้วหยังย่งนั้นถอนทวดขึ้นมาตรงนั้นเอาอะไรจะเกิดที่นี่หน่ะมันเห็นได้ชัดหยิดตรงนี้แตก่อนมันสืบต่อยอย่างนั้นอยงนั้นมันกระจายกระแสมันออกไปอย่างนั้นนั่นพร้อมด้วยความยึดมั่นถือมั่นความรัมมคมกความชางังความเกลียดความโกมันเป็นลากแก่ลากฝอยทั้งมวล เวลานี้นี่ถูกตัดมาแล้วโดยอุบายของสติปัญญาประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นนั่ น, นมันวนเข้ามาวนเข้ามาทั้งรูปเสียงกลิน่นรสเ่อนสัมผัสกับตาหจูจมูกกินกายของเรานี่สื่อต่อกันไม่ได้ขาดสะบัดลงไปแล้วรูปเวทนาสัญญาทั้งขานอิจญานนังเกี่ยวโยงกับน่างกายนี้กรับใจอย่างไรบ้างมันก็ฟั่งเข้าไปฟั่งเขไปจนกระทั่งขาดสะบันลงไปนี่รากปลอยเข้ามารากปลอยเข้ามาเข้ามาถึงเกลือนถึงรากแก้แวธาตุพวกธาตัวกขัน ขาที่ห้าเพี่าดลงไปขาทั้งไปเหลือแต่ลากแก้วอันเดียวอย่างไม้ต้องกิกกับอวิชชานักมันเห็นอย่างนั้นรี่ผู้ปฏิบัติอ่ะอืมพอถอนพวดมานั้นอะไรไปเกิดที่นี่น่ะนักมันต่อกับ อ, อะไรจริงมีอะไรต่อกล้องเห็นได้ชาดอยู่เนี่ยมันต่อกับ อ, อะไรอะไรเป็นสายาวเหยียดกว้างแค่ขนาดไหนมันก็รู้วงแค่เข้ามาเข้ามามันก็รู้มันรู้จัดชัดดูภายในใจ จนกระทั่งมีแต่จิตกับขันเอารูปรูปขันมันขาดลงไปแล้วมันก็รู้รูปขันมันขาดก่อนเบชนากัมาจึงเวทนาจิตสัญญาสั้งขันสัญญาที่หลังขาดแล้วไปหาดเข้าไปปรลหลาดเข้าไปปะหลาจกระทั่งไม่มีต่อแยกขึ้นมามันก็รู้เท่าของมันเองดับของมันเองเห็นไหมเอกมาอะไรเจ้าสังขารเนี่ยเหมือนจะงี่ห้อยเนี่ยมันรู้ ไม่ได้ถือว่าสังขารเป็นเราสัญญาเป็นเราเป็นของเราวิญญาณเป็นเราของเรา ท, ที่นี่เพราะมันขาดกันแล้วมันถืออะไรมันก็ไปถือใจไม่ใจเป็นเราไม่รู้สึกตัวนั่นนั่นหล่ากแก้ววัตถิปัญญาพอฟาดลรงตรงนั้นแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือ อ, อะไรที่นี่ ต, ต่อที่ไหนไขาดตะบ้านทั้ไปหมดแล้วต่อที่ไหนอันนี้อะไรกีบหายอะไรไม่กีบหายมันก็รู้หมด นี่มีกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ตา่างไม่รู้อย่างนี้มันค้างกันได้ยังไงความจริงอันเดียวกันค้างกันได้ยังไงไม่มีทางค้านเพราะความจริงท้านแต่ขอไขงไม่ได้ละค้านผู้ใดได้เพราะเป็นความจริงเหมือนกันดังนั้นนี่โอ้โหปัจจตังปัจจตังชัดฉันที่ติโกเห็นเองมาโดยดับลำับลำดับถึงจุดนั้นก็เห็นเองรู้เอง ยาพ่อตนใครไม่รู้ก็ตามเรารูก ข, ของเราอาถรรของเรากินของเร้อยทั้งร้อยสา ม, ามาโลกธาตุมัาลบไม่ศูนย์ลบไม่ได้ความจริงอันนี้นักอะไรจะอาถารยิ่งกดจิตได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดออว่าด้วยคํารู้ความเห็นจริงจะโต้ ท, ท้านที่ไหนไม่มีอะไรมันจะโต้ท้ทาทันความจริงเห็นอยเต็มหัวใจรู้อยู่เต็มหัวใจเอะไรมาจะโต้ท้ทาทันกลัวจะผิดไปตรงไหน เมื่อเติมใจรู้อย่างเต็มใจให้อย่างตใจไม่มีความกลัวว่าจะผิดตรงนั้นตรงนี้แล้วจะเอาอะไรมาสะทกสะทานปฏิบัติเห็นไนหะมครับทมือย่างเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นพูดกันไปสวดกันไปเรียนกันไปเอาแต่ชื่อแต่เสียงมาอวดกันอยู่น้ำลายฟุ้ง การสะสมกิธีมานะมาจนรู้จนฉลาดนั่นก็สะสมขึ้นมาจากความจำนี่แหละรู้เรียนได้ภูมินั้นภูมินิ่งเรื่องกิเลศเข้าไปทํางานนั้นไม่รู้ตัวเลยกิเลศเป็นเจ้าของก็หมดเวลาปฏิบัติก็ฆ่ากิเลศไปค่ากิเลศไปนี่เคยพูดเมื่อข้าเจ้าของมันเคยเป็นเรียนนักธรรมปรีดีเ ท, ท่า น, นี้กิเลศเท่า น, นี้อยู่เออ โอ้กูนี่ทหละคำปีกราไมตัดพ่าแล้วคำโทรแลร้วโถไปนี่ฟาตะตอมเด็กทั้งมหาด้วยรู้จะก้าไปออกมันหนักความรู้ความรู้พอ่อความรู้แม่มอะไรโคตรหงส์จีเรศเต็มหัวใจครับหัวมันออกแล้วก้าวไม่ออกเหรอมไม่รู้เหรอนั่นทิ้งนั่นตอนนั้นไม่รู้นี่เอจะกล้าไม่ออกหนักความรู้เป็นขนาหนมหาโอคูนออ้นี่รู้เี่ คนคนนี้นะตําหนีิกับตําหีิคนคนเดียวคบนี่แหละนี่ความสําคัญทีิเลที่เป็นเจ้าของไม่รู้เลยภูมิทั้งหมดเป็นภูมิกิเลสนี่เราไม่รู้มันเป็นกิเลสพอเกิดมาเป็นเจ้าของไม่นั่นจะว่ากิเลสมันแหลมคมได้ยังไงมันเรียนยังไงมันมาเป็นเจ้าของอย่างนี้แหละเราไม่รู้แต่เมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปอ่าปฏิบัติไปรู้เท่าไรเท่าไรมันปล่อยของมันล่อยของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเข้าไป นี่มันก็นมาลู่สมันแบกภูเขาทั้งลูกแบกภูเขาตู้พระไกรวิดกที่ว่ามันภูเขาทั้งลกมันหนักความรู้นั่นหนักความจริงมันหนักที่งเลยเดี๋ยวมัขามาขาไปเอ้หนักมาถึงขั้ น, มนหมดละคำราคาใครว่าอะไรฟังได้หมั้ยน้อยลงตามากบอกลงตาไปเลย เข า, าอะไรมาเขาเราเขเขียนหมายมาหาเราเขียนหมายมาแบบไหนแล้วก็ตอบแบบนั้นไปเลยอเนัอนที่อะไรผู้หญิงคนหนึ่งเมืองนนเขียนหมายมาหาเราเข า, าเขาต้องขอประทานโทษเขาบอกเขายังไม่เคยเขียนหมายถึงใครครูอาจารย์ไม่เคยเขียนถึงเลยถึงตาถึงเช้าเลยมึงมาเขียนกันท่าน่ะเขาไม่เคยเขียนอไรเขาเรียนจบแค่ป .4 เขาบอกงั้น ผลาดประการใดขอประธานโทษท่านหน่อยพออ่านแล้วก็ตอบไปเลยบอกว่าเราให้อภัยโทษตั้งแต่ยังตั้งแต่คุณยังไม่เขียนนะบอกพออาจารย์จบแค่พอสามเท่านั้นเราก็บอกเราพอสามเนี่ย <c oughs> ขันขำดี <c oughs> คุณยังจบปอสี่ยังดีกว่าอาจารย์อาจารจบแค่พอสนะามนั้นดังนั้นจึงต้องให้อภัยคุณตั้งแต่คุณยังไม่เขีย น, นอพอเสร็จแล้วแล้วก็ ลุงตาปอสามบอกกันนั่นเลยเนี่ยเป็นอะไรไปผู้กบคนผู้กบโลกมันใช้ไปอย่างนั้นะว่างไงมันก็ว่างไงตามเฮ้มีอะไรอีกนี่ละเลือกันมาทีน่ะแต่การประกอบความว่าเปี่ยนนะ่ะเอาให้จริงให้จังนะ่ะเอาให้เห็นสิพูดเหล่านี้พูดของมีอยู่กับเรานั้นนะ่ะเปิดออกให้เห็นอยู่ตรงนั้นนะ่ะไมอไนนะ่อยู่ตรงไหน่ะอยู่ตรงรูนั่นนะ่ะ เวลานี้ถูกจองจำอยู่เป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำกิเลสมันครอบมันงำแล้วนะพูดแล้วมันนานเท่าไหร่แล้วมันไม่เบื่อหน่ายก็ทีก็คือกิเลตนะั่นแหละกิเลมันเสน่มันดีฟัดกันไปนะเราจะหวังเอาสุกจากโลกามิตคือสมมุติทั้งหลายเนหะมือนโลกามิตรนั่นแหละเอาสุกน่รามิตสุกนะั่นะมันถึง สบายนอนใจหายใจอ่นหนนะ